<c oughs> ก็หมายความว่ า, านี่ก็จะอาจจะมีผู้ที่เขาเขาอ้างว่าเออนี่นี่เป็นเรื่องการรู้ปริยัติรู้เรื่องราตวตอนนี้ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของอปฏิบัติเอางั้นเถอะนะ <c oughs> ก็หมายความว่าเมื่ออารมณ์เมื่อโลภะเกิดหรือว่าการมฉันทะเกิดนั่นเนี่ยนะ ก็หมายความว่าพระโยคาวะจอนนั้นเนี่ยก็จะต้องรู้ทั่วในสิ่งเหล่านี้คือรู้ลงไปว่าเวลานี้มันเกิดทวันไหนใช่ไหมฮะออิทธาลมประเภทไหนนะแล้วประตูน่ะเราเคยชอบมาเมื่อไหร่อยนี้ใช่ไหมครับเข้ามาเขาว่าให้เราวิเคราะห์ไปในไปในสิ่งเหล่านี้แล้วมีมานะหรือไม่ขณะนั้นมีทิฏฐิหรือไม่ก็หมายความว่าก็เหมือนกับทาปริญญาบาใตัวด้วยก็ คำว่าปริญญาก็เป็นอีกศัพท์หนึ่งของคําว่าปัญญาอีกชื่อหนึ่งของปัญญาเรียกว่ายาเหมือนเดิมเนี่ยนะเอาปรินําหน้ากับปัญญานี่ไม่ต่างกันเห็นไหมรู้โดยประการต่างๆกับรู้โดยปริญญานี่ไม่ต่างกันทีนี้การรู้เนี่ยนะะถ้าตั้งคําถามว่าไอ้ที่ไปรู้นี่รู้ด้วยกุศลหรืออกุศลที่เมื่อโลภามีอยู่ก็รู้ว่ามีโลภานี่ควรจะรู้ด้วยกุศลหรืออกุศล ก็ต้องรู้ด้วยกุศลกุศล น, นี่ก็มีอยู่กุศลที่เป็นไปกับทานที่เป็นไปกับศีลที่เป็นไปกับภาวนาภาวนาก็แบ่งที่เป็นไปกับสมถะที่เป็นไปกับวิปัสสนาถ้าเป็นไปกับทานเนี่ยนะจะเป็นยังไงเช่นคนที่โลภะเกิดขึ้นเพราะในวัตถุใดก็อาศัยอันนั้นแหละเป็นปัจจัยก็เลยให้ทาน อันนั้นเขาเรียกว่ารู้แบบคนจะให้ทานนี่ถ้าปล่อยให้โลภะอันนี้มันกําเริบมากมากขึ้นนะมันจะก่อให้เกิดมัจฉริยะรำบาปอากุศลอย่างอื่นอีกก็เลยให้ทานน้อมไปเพื่อจะให้ทานบางคนบอกไอ้โลภะอันนี้เกิดขึ้นนะเอาพูดแบบพระพิสูจน์เลยนะอันนี้ปรารชิกเชอะนะนี่อีกไม่นานนี่สังคาตทิเสดศตร้อนสงแนะ น, น, น่นี่นะนี่ทุลใจนะนี่หยาบมากนะนี่นน ปัจจิตีนันี้ทุกกฎทุกภาสิทธ์ก็ว่าไปถ้าถ้าโลภะอันนั้นจะเกิดเนี่ยรู้เลยว่าถ้าอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยมาอะไรมันจะเกิดเนี่ยรู้เลยเขามีพระพิโุรูปหนึ่งพูดออกมายังนึกชอบอยู่ทุกวันเลยก็ <laughs> บอกว่านี่ท่านท่านโลภะผมเกิดอ่าแล้วท่านดูมันเฉยเฉยใช่ไหมนนหเหมือนกันก็ดูมันเฉยเฉยเป็นประราชิกผมไม่รับผิดชอบนะเห <laughs> <laughs> มือน <ry> <laughs> นสังฆาทิเศษผมไม่เกี่ยวนะเหมือนกนเรื่องของท่านนะของท่าน ท่านจะดูให้มันเกิดก็ดูไปแล้วกันนะเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วใชเฉยๆนะรู้ว่ามีอยู่แล้วสินเสียเนี่ยแสดงว่าไอ้ที่รู้เนี่ยใครก็รู้อยู่แล้วนะนักแต่งเพลงทั้งหลายนะก็อาศัยโลภะที่มีอยู่แล้วมาแต่งเพลงนะของมารู้จักคนอย่างนักแต่งเพลงมันมีเหตุการณ์ใดๆ น, น, น, น, นะเขามองโอ้พูดเป็นเรื่องเป็นราวไนดะ้ไปหมดเลยนะแต่ว่าในโลกของเสียงเพลงของเขาอะนะเพราะฉะนัน ก่ให้ผิดศีลได้เนี่ยนะถ้าถ้าความคิดเนี่ยนะที่เป็นไปกับโลภะทีนี้ถ้าเป็นไปกับภาวนาเนี่ยนะเอ่อ ท, ทานศีลภาวนาเนี่ยสามอย่างนี้กุศลไหนจะยิ่งใหญ่กว่ากันใช่ไหมก็ต้องเป็นภาวนาถ้าเป็นกุศลชั้นภาวนานะถ้าเป็นสมถะก็ต้องเป็นไปกับอสุภะทั้งหลายที่จะเป็นปฏิบักต่อเพราะฉะนั้นผู้เอ่อ ถ้ากล่าวตามปฏิสัมพินธ์นะคนที่รู้การมาฉันทะจริงๆต้องรู้ด้วยเนคขมะนี่นะต้องรู้ด้วยเนคขมะถ้ารู้ด้วยเนคขมะจึงจะชื่อว่ารู้การมาฉันทะเพราะรู้แล้วต้องละการมาฉันทะได้ถ้ารู้แล้วละไม่ได้นะก็ไม่รู้จะพูดทำอะไรสาเรียนแทบแย่นะและอย่างหนึ่งคือรู้ด้วยวิปัสนาเนี่ยนะก็รู้ด้วยวิปัสนาคํารู้ว่าด้วยวิปัสนาเนี่ยรอบรู้กว่ารู้ด้วยสมถะ นนะรอบรู้กว่าด้วยทามด้วยศีลด้วย ส, วยสมถะ ท, ทั่วไปเพราะเป็นการรู้ถึงถึงอะไรรู้รู้โดยรอบทั้งหมดแล้วรู้ในความนนะสาวไปหาปฏิจจสมุปบาทก่อนถ้ารู้แบบวิปัสสนาะณ์ว่าโลภะเกิดจากอะไรเวทนาเวทนามาจากไหนภาษาภาษามาจากสลายตนะสลายตนะมาจากนามรูปนามรูปมาจาก วิญญาณวิญญาณมาจากสังขารสังขารมาจากอวิชชาเนี่ยนะเงื่อนต้นของอวิชชาไม่ปรากฏเงี้ยนะทีนี้อวิชชาก็มีอาหารคืออาสวะพรัะอาสวะเป็นปัจจัยแก่อวิชชาวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยแกับภาษาภาษาเป็นปัจจัยแก่เวทนาเพราะภาษามาได้กับอิทถารมเข้า ก็ได้สุขเวทนาขึ้นสุขเวทนาก็ก่อให้เกิดตันหาตันหาโลภะอันนี้ถ้ามันมีกำลังอีกนิดหนึ่งเรียกว่าอุปาทานถ้าเปล่งคำพูดออกมาเป็นกายกรรมนนถ้าเขียนหรือโบอกไม้โบกมืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกายกรรมถ้าพูดออกมาเป็นวจีกรรมเนี่ยนะถ้าคิดก็เป็นมโนกรรมกรรมอันนี้เรียกว่ากรรมภพ นะเจตนาที่เกิดร่วมกับโลภะนําเกิดได้บางแห่งบอกว่าบางแห่งคือเนติปกรณ์บอกเลยว่าตัณหาบางอย่างให้ผลเป็นทิฏฐธรรมบางอย่างให้ผลเป็นอุปชาวเวทนียกรรมบางอย่างให้ผลเป็นอปราปรยาเวทนิยกรรมถ้าอันนี้ให้ผลควรจะให้ผลที่ไหนอบายทั้งหลายไม่ได้เกิดจากสุจริตกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเจตนาเหล่านั้นนําเกิดก็อบายสีก็ ไปยาทีนี้อันนี้ถามว่าโดยปริญญาเนี่ยเป็นปริญญาแรกอันเดียวท่านั่นเองที่เรียกว่ายาตปปริญญาด้วยนะยังไม่ใช่วิปัสนาที่จะพูดถึงด้วยซ้าไปเนี่ยนะวิปัสนาที่จะพูดถึงต่อไปก็คือบอกว่าโลภานี้อาศัยเวทนาเช่นโลภะบางอย่างอาศัยสุขเวทนาเป็นปัจจัยบางอย่างอาศัยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยบางอย่างอาศัย อุเบกขาเวทนาเป็นปัจจัยแล้วเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาต้องอาศัยอะไรเนี่ยนะก็ใครครวญถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาความว่างเปล่าเนี่ยนะอันนี้จะโตทุกขโตนะอาจารย์กิตตนะินั่นแหละรากเหอะมนนั้นไม่ผิดหวังแล้วนะมนนั้นชงัดโลภะนักแลือเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับถ้าเอามายกมาเป็นบุคลาธิสฐานก็หมายความว่ามีพระภิกษุองค์หนึ่งไปบินธบาต แล้วก็ไปเจอสีกาเข้ากํลาลังใส่บารแล้วก็ถูก อ, อกถูกใจเหมือนกันเถอะเกิดโลภะขึ้นขณะท่านประโยคาวาจรหรือพระภิกษุองค์นั้นนี่นะฮะก็มีเกิดโลภะขึ้นแล้วแล้วเมื่อจเจริญธรรมานุปัสสนานี่ก็หมายความว่าก็ก็ต้องรู้รู้รายละเอียดอย่างนี้คือแล้วก็ไม่ใช่รู้แค่นั้นด้วยกลับมาถึงกุติยังต้องมาทํามาวิจัยต่ออีกอยู่แล้ครับวก็ต้องต้องเรียบดับเหมือนกันเถิดคือ ถ้าถ้าตั้งคำถามแบบนี้นะต้องต้องบอกว่าถ้าพูดใช้คำว่าพระภิกษุเนี่ยนะอตอนแรกบวชทําไมนะต้องต้องจุดหมายอันดับแรกมันก็ควรจะชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมว่าบวชทําไมอันนี้ก็สังเกตจากคําขอบวชกันแล้วกันนะบวชแล้วเรียนอะไรบ้างแล้วก็เรียนทําไม นะทีนี้ถ้าโลภะมันเกิดเนี่ยถามว่าควรจะพิจารณาแบบไหนเอาแบบพระวังคีสะไปบิณฑบาตกับพระอนุนเะห็นไหมพระวังคีสะเดินเป็นพระใหม่หน่อยนะเดินตามพระอนุนไปบิณทบาต ท, ทีนี้พอไปลายการาคชันทะของท่านก็เกิดเพราการมฉัชันทะของท่านเกิดแล้วท่านก็ฆ่าแต่ท่านโคตมัคโคตนะตอนนี้สำนวนอีกสำนวนหนึ่งบอกว่าโรคได้เกิดขึ้นแล้วกับผมเหมือนน เพราะนั้นรู้ว่าถ้าเนี้ยนะเสียหายหมดเสียหายแม้กระทั่งเรื่องการบวชเนี้ยนะรู้เลยว่าอนาคตต่อไปเนี้ยเป็นยังไง น, นะก็ควรจะรอบรู้ขนาดนั้นแต่อันนี้รู้เบื้องต้นเฉยๆนะพอทีนี้รู้ต่อไปแล้วจะจัดการยังไงกับอกุศลอ น, น, นันเนี้ยนะที่เรียกว่ารู้โดยสมถะเนี่ยนะว่าต้องไปเจริญอสุภะขนาดไหนจึงจะพอข่มกันได้ น, นะถ้าถ้าเป็นผู้ที่มีสติจริงๆอะนะ คือผู้มีสติก็คือพอโลภะเกิดนึกถึงคําสอนได้เลยว่าคําสอนว่ายังไงจะต้องศึกษาภาคเพียนเรียนปฏิบัติขนาดไหนจึงจะพอจะครอบงํอาอกุศลนั้นได้ถ้าจะรอบรู้ฉันท์ท่าเนี่ยหรือรอบรู้กิเลสอันนั้นเนี่ยรอบรู้ขนาดไหนจึงจะพอละโลภะได้ไม่ใช่เหมือนสัมมณีรูปหนึ่งสั ม, มเณีรูปหนึ่งอันนี้เปลี่ยนไปเป็นเรื่องโทสะแทนนี่นะจะเขาก็จะคล้ายๆกันเขาไปโกรธมากเสร็จแล้วเขาเลิกโกรธนี่ไงมันไม่เที่ยงไงมันเลิกมันไม่เที่ยงแล้ว ม, มันดับเสรแล้วเหมือนกัน ไอ้ไม่เที่ยงอย่างนั้นก็ไม่พอแนะอ่น น, นก็สาวตันหาไปหาปฏิจจสมุปบาทหรือสาวตันหาไปหาในฐานะเป็นสมุทัยสัตว์ก็ได้เนี่ยนะจิงจะคู่ควรต่อการละกิเลสนะแต่ทีนี้เรื่องของปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัตว์เนี่ยนะคำพีพระไตรปิฎกอธิบายไว้กว้างขวางเหลือเกินเพื่อจะมากำจัดไอ้ตัวโลภะอันนี้นี่แหลนะ ถ้าว่าค่าศึกศัตรูของผู้าศาสนาคืออะไรคือโลภะหรือว่าถ้าหากว่าปล่อยให้จนกระทั่งไปเกิดโลภะตรงนั้นเนี่ยสแสดงว่าหลวมตัวเข้าไปลึกแล้วนะครับขาดอินทสังวรอินทรสังวรก็ขาดศ า, าสตกะสัมปชัญญะก็ขาดขาดมาตั้งไม่รู้กี่เรื่องแล้วนะสายมันแทบจะอาจจะไม่ไหวแล้วนะครับเสียหายมาตั้งตั้งหลายเรื่องแล้วเนี่ย สมมติว่าทางโลกบอกมาทำยังไงหนี้สินบาลเลยก็แสดงว่าในเรื่องการทำปริญญาในตัวตัวตกรรมฐานท่านี้เนี่ยก็ต้องทำไวตั้งแต่ยาบปกติถูกไหมครับยังไม่ต้องไปเจอค่าสึกขนาดนั้นใช่ไหมแต่ก็ได้ฉีดวัคซีนป้องกันไปแล้วโดยทำปริญญาในสิ่งเหล่านี้เนี่ย นะโดยรอบรู้อย่างดีแล้วใช่ไหมครับท่านเจอเข้าวสืจริงๆก็ประมาณว่าอุดห่ดอะตอนอุปชาเนี่ยนะท่านให้เกษาตั้งแต่ยังไม่ทันบวชเลยจริงให้ตั้งแต่ยังไม่ทันบวชนะตั้งแต่โกนผมเลยอะเป็นโบราณจริงๆให้ตอนโกนผมสมัยใหม่มาให้ตอนตอนจะเอาผ้าเหลืองเลยนะแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเวลาโกนผมนี่ให้เกษาโลมานะ้าขาทันตาตะโจเลยนะฮะเน้นเจ็ดขวบมาถึงอายุเจ็ดสิบก็ช่างเถอะถ้าบวชมาต้องให้กรรมฐานนี่เหมือนกัน เกสาโลมานะขาทัานตาตะโจท่านไม่ได้บอกนะมาตอนที่กิเลสมันเกิดแล้วค่อยไล่เกสานะค่อยมาเรียนเกสาท่านไม่ได้วางอันท่านคำสอนก็เป็นไปที่เรียกว่าเป็นปฏิบัติต่อต่อโลภะจริงๆลักษณะวิธีการวิเคราะห์คําสอนมีอยู่วิธีหนึ่งตามเนติปรกรณ์ท่านพูดถึงเห็นไหมการวิเคราะห์ธรรมะนะบอกว่าต้องลงในสูตร เห็นไหต้องลงในสูตรให้ได้อันะลงในวินัยให้ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือใส่ไปในธรรมดาเห็นไหมการการพิจารณาธรรมะใดๆนะต้องมองให้ออกสามอย่างเนี้ยในสูตรวินยัยแล้วก็ธรรมดาสามคำคำว่าสูตรในที่นี้อะไรบอกว่าต้องอย่างลงสู่อริยสัจให้ได้ในการวิเคราะห์ธรรมะหนึ่งคอะไรก็ช่างเถอะที่มานะ ต้องเอามาล่องลงว่ามันอยู่ในอริยสัจอะไรเห น, นี้อย่างหนึ่งใสในวินัยเอาไว้ให้ได้วินัยคือราคะวินยัยโทสะวินยัยแล้วก็โมหะวินยัยคือรู้แล้วมันจะละกิเลสอะไรได้บ้างใน3อย่างวินัยแปลว่ากำจัดเห็นคำสอนนั้นคำพูดนั้นเนี่ยกำจัดราคะได้ไหมกําจัดโทสะได้ไหมกําจัดโมหะได้ไหม น αι, น αι. แล้วก็ใส่ลงไปในธรรมดาคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะำนวนว่าอยู่ในช่วงไหนของปฏิจจสมุปบาทอันนี้เป็นการลักษณะพิจารณาคำสอนต้องเป็นอย่างนั้นอั น, นบทได้บทหนึ่งก็ช่างเอาขึ้นมาต้องใส่ลงในสามอย่างนี้ในสูตรในวินัยและธรรมดาเนี่ยน αι. ปฏิจจสมุปบาทมันเป็นของธรรมดาเนี่เป็นธรรมนิยามนี่นะธรรมดามันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ, ๆเช่นนะยก ต, ตันหามีอะไรเป็นปัจจัยธรรมดาของเขาอ่ะนะเวทนาเป็นปัจจัยเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยมีภาษาเป็นปัจจัยอันนี้คือธรรมดาของเขาอ่ะนะแล้วถ้าธรรมดาอีกถ้าตันหาเป็นปัจจัยแกอะไรอนะตันหากับอุปาทานอันเดียวกัน ก็พบพบเป็นตรใจกิยาอะไรก็ชาติาก็ใส่ลงในธรรมดาทุกๆบทก็มองให้ลงให้ธรรมดาให้ได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสังสารวัตเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่ามันเป็นธรรมดาธรรมดาจริงๆปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือของธรรมดาโดยเฉพาะไอ้สมุทยาวาระเนี่ยนะอันนี้เรื่องธรรมดาจริงๆเนี่ยนะอวิชาปัจญญาสังขาราสังขารปัจญาวิญญาณังเนี่ย น, นะพระพุทธเจ้าเกิดไม่เกิดก็ช่างเอะ ไอ้วัตะมันเกิดอย่างนี้เนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆแต่ถ้าเป็นอริยสัจหรือคำสอนที่ที่เป็นปฏิโลมอันนี้ไม่ธรรมดาอันนี้ต้องอาศัยคาสอนขึ้นมาเนี่ยนะมันก็มองให้ได้3อย่างเนี่ยนะชั้นแรกให้มองให้เป็นอริยสัจก่อนอย่างที่สองเนี่ยนะสิ่งที่เราเรียนหรือศึกษาหรือที่เรียกว่าพยัญชนะนั้นๆละกิเลสอะไรได้บ้างเนี่นยนะแล้วก็ประมวลให้เป็น ปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาท ต, ตรงนี้เรียกว่าสายความเกิดเรียกอุทยัยสมุทยาวาระรู้ถึงวาระแห่งการเกิดก็คือรู้ปฏิจจสมุปบาทอย่างตลอดสายและอีกคำหนึ่งคื อ, อนิโรทวาระา น, น, นี่แปล ง, ง่ายๆว่าเกิด นิโรธโดยย่อ ๆ, ๆเ้าแปลแบบง่ายๆว่าดับะ น, นะรู้ความเกิดความดับด้วยปัญญาผู้ที่มีปัญญาอย่างนี้เรียกว่ามีอริยทรัพย์ น, นะแต่ไทยก็มาย่อเหลือเกิดดับทีนี้เกิดดับของโบราณท่านพูดนะเกิดเพราะบกมองแบบปฏิจจะตลอดสาย น, นะดับก็ดับแบบดับแบบวิวัตตะมันดับเลยนะท่านแบบนั้นนี้ของเราก็เรียนอภิธรร ม, มรสังะไม่ดี ก็เลยไอ้เกิดดับเนี่ยไปอธิบายทุกเรื่องอนะเกิดดับในพระสูตรก็เอาอุปาทถาาีติพังค่ามาอธิบายหมดเลยก็เลยไม่ได้อะไรสักอย่างนัง่เอ ง, งราคาวินยัยโทสาวินัยก็ได้ทั้งหมดอยู่แล้วถ้าตัวปัญญาศิกษาจริงๆจะเป็นตัวนี้ พะมีปัญญาต้องเห็นอริยสัจเนี่ยนะถ้าเห็นอริยสัจต้องละกิเลสเหล่านี้ได้เนี่ยนะทีนี้ถ้าละกิเลสได้นะต้องไม่ขัดกับหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะไม่ใช่โอ้บรรลุแล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณยังไงปฏิจจสมุปบาทไม่รู้สักเรื่องเลยนะแต่บรรลุแล้วอาจารย์เขาให้ตำแหน่งโสดาบันมาแล้วก็ถูกเสกไป ดีไม่ดีไปเสกอาจารย์อีกอาจารย์มันรู้แล้วนั่นนะอาจารย์ก็ต้องเสกให้อาจารย์สูงขึ้นก่นเสกตัวเองขึ้นนะถ้าถ้าเสกลูกสิษ์สูงขนาดนี้อาจารย์ต้องสูงกว่าเดี๋ยวอย่างอื่นมันจะคันศีรษะนั่นห่า นั้นคำว่ารู้รู้ว่าการมาฉันทะเกิดขึ้นเนี่ยจึงไม่ใช่รู้แบบรู้ด้วยปัญญานะทราบว่าปัญญาก็บอกตรงๆอยู่แล้ว น, นะนี่มาขึ้นโทรศบ้างนะพระพุทธพจน์ว่าเมื่อพยาบาทมีอยู่ณภ า, ายในจิตย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทมีอยู่ณภ า, ายในจิต เมื่อพยาบาทไม่มีอยู่หน้าภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทไม่มีอยู่หน้าภายในจิตอันหนึ่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยพยาบาทที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยนี่นะอันนี้เป็นพุทธพจน์ผู้ที่จะเจริญ นะพญาปาทะบับพพ็เนี่ยนะต้องส่งพุทธพจน์นี้ให้ได้เห็นไหมคืออย่างน้อยจําสูตรให้ได้หน่อยก็ยังดีอ่ะนะเป็นช่างไม้และจําไม้เม็ดอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะ mm hmm. ก็แย่เลยอะ mm hmm. ในหน้าสิบห้านะดูหน้าสิบห้าที่ที่กําลังแสดงอยู่หน้าสิบห้า mm hmm. เมื่อพยาบาทมีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่าพยาบาทมีอยู่ณภายในจิตเนี่ยนะ คำว่าพยาบาทมีอยู่หน้าภายในจิตเนี่ยก็แสดงว่าพยาบาทเป็นชื่อย่างหนึ่งคือความประทุสร like ้ายเนี่ยนะความประทุสร <te> ้ายหรือใจที่เสียหายเนี่ยนะได้เกิดขึ้นพยาบาทอีกชื่อหนึ่งบอกว่าไฟเนี่ยนะไฟได้ลุกท่วมความคิดแล้วเกันน่นะเผาและเผาสัมปยุตธรรมเผาจิตเผาเจตสิกแล้วก็เลยเผาไปถึงวัตถุด้วยนย แล้วก็เผาจิตตะชรูปด้วยมันเมื่อโทสะเกิดขึ้นก็รู้ชัดว่าโทสะเกิดขึ้นโทสะก็อีกชนิดหนึ่งนะพยาบาทนี้มีหลายชื่อนะเวลาพระ อ, องค์อธิบายเช่นโทมนัสนี่ก็เกิดร่วมกับพยาบาทเนี่ยนะนะอุปายาตตัวพยาบาทหนึ่งลงเลยนะตัวอุปายาตหรือปริเทวะก็เกิดร่วมกับก็มีพยาบาทนั่นแหละเป็น สมุทฐานเพราะฉะนั้นไอพยาบาทในฐานะเป็นทุกขสัตรเนี่ยนะเป็นทุกขสัตร์จะเรียกว่าเช่นอันนะโสกะปริเทวะทุกโ ท, โทโมนัสและอุปาญาตพวกนี้เป็นกลุ่มโทสะทั้งนั้นเลย น, นะนะอันโทสะก็แทบไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากเลไหมรู้ว่าเออโทสะเวลามันเกิดขึ้นในจิตมันก็กำเริบนิดๆหน่นนอ ย, อยๆก่อนนะถ้ากับบางเรื่องอ่ะ น, นะปฏิฆะนิมิตแค่ว่าขัดเคือง อีกชื่อหนึ่งของโทสะว่าปฏิฆะแปลว่าขัดเคืองนั่นเองความขัดเคืองถ้าเป็นร่างกายตรงไหนที่มันขัดเคืองก็ตรงนั้นไม่ค่อยดีแลยใช่ไหมจิตก็เหมือนกันถ้าขัดเคืองขึ้นมาอันนั้นแหละเป็นพยาบาททีนี้พยาบาทนั้นเวลาที่เกิดขึ้นก็แปลว่าเกิดบ่อยๆคนที่โทสะบ่อยๆเรียกโดยเรียกว่าจริตไปเลยเรียกว่าโทสะจริญเนี่ยนะเป็นจริญคนที่มีจริตอย่างนี้แหละเรียกว่าอาสยะเป็นโทสะเนี่ยนะ คนที่มีอาสัยะเป็นเรียกว่าโทสะเป็นอาสัยะเรียกว่าโทสะจริตก็โกรธบ่อยๆก็ความทุกข์มากนะก็คือนนนอัชชะตังนี่นะแปลว่าภายใน อัจตระก็คือมีภายในะนะแต่ก็ถ้าแปลมาเป็นจิตมันก็ชาติอีกเพราะมันไม่ได้เกิดที่อื่นอยู่แล้วะนะายปรยาบาทมันเกิดมันก็เกิดในในจิตอยู่แล้วเนี่ยนะโดยอัดไม่ไม่ผิดเนี่ยนะอะ่ของเราเนี่ยนะภายในจิตของเราอ่ะนะอ่านะครแพ่ใเราตัดออกไปเพราะคำว่าของเรานี่ไม่มีแต่ถ้าภายในจิตนี่ไม่ไม่ผิดสภาวะเลยเนี่ยนะ เพราะว่าเวลามันเกิดนะนะโทสะพยาบาทมันเป็นเจตสิกมันก็ต้องเกิดร่วมกับจิตอยู่แล้วอ่าทีนี้พูดถึงพยาบาทคําว่ามีอยู่มีอยู่ในฐานะว่าสมุทะนะอภินาหาสมุทาจาระเนี่ยนะแปลว่ามันเกิดบ่อยๆเนี่ ย, ยนะโกรธบ่อยๆต่งิดต่างงิดเรื่อยๆแห้งบ่อยๆนะแห้งใจบ่อยๆพวกนี้แหละ เกิดเนืองเนืองอ น, นะถ้าไม่มีอยู่ไม่มีอยู่เพราะอะไรเพราะว่าในขณะนั้นในขณะนั้นมันไม่เกิดกับในขณะนั้นเนี่ยละได้ น, นะเพราะว่าขณะนั้นเจริญสมถะหรือเจริญวิปัสสนาอยู่แต่ถ้าตรงๆแลนะ้วเนยตัวที่ละกลุ่มโทสะแล้วจะเป็นศีล เพราะว่าเวลาที่โทสะหรือพยาบาทเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าตรงๆและเจตนาทำให้เป็นผิดศีลด้วยทีนี้ถ้าผิดศีนเสร็จแล้วเนี่ยนะอะไรจะเกิดสมมติถ้าโทสานี้ไปทำบาปทมอกุศลเกิดขึ้นแล้วผลของเขาก็คือเดือดร้อนใจใช่ั้ยเดือดร้อนใจเรียกว่าวิปติสาร เชื่อเลยว่าคนที่มีโทสะมากๆโดยจริงๆแล้วศีลไม่ค่อยดีเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเช่นโทสะหรือโทมนัที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะก็ต้องเป็นผลของอีกอย่างหนึ่งมาก่อนหน้านี้แล้วเช่นเป็นผลของอินทรีย์สังวรศีลไม่ดีคือไปมีอภิชาเกินไปไปมีอะไรเนี่ยนะตอนหลังก็ทำให้เดือดร้อนใจบ่อยๆพันวิวปติสารก็เกิดขึ้นวิปฏิสารเนี่ยมาจากอะไร ไม่มีศีลและกุศลคือกุศลแลศีลไม่เกิดก่อนหน้านี้พอกุศลศีลไม่เกิดอันนี้แหละเป็นวิปปติสารหรือเรียกว่าโทสะหรือพยาบาทก็อันเดียวกันกุศลศี ล, ลไม่มีนั่นเองพยาบาทก็เกิดพอพยาบาทเกิดนั่นแหละออกมาในรูปแบบเรียกว่าวิปปติสารถ้าวิปปติสารเกิดบ่อยๆคนนั้นเป็นยังไงไม่มีปราโมทย น, นะปราโมชาเนี่ยนะหรือปราโมดคือไม่มีความ อ, อิ่มใจอะไรสักนิดเดียวเลยนะก็ค่อนข้างแห้งใจนะจิตใจก็ค่อนข้างแห้งๆเรียกว่าไม่มีปราโมดถ้าตาก็เป็นตาที่ไม่มีน้ําตาหล่อเลี้ยงอะไรเลยนะมันฝืดไปหมดเลยลืมตาก็ไม่ได้ขึ้นนะทีนี้เมื่อไม่มีปราโมดไม่มีอะไรอีกไม่มีปีตินะคนที่ไม่มีปีติก็ไม่มี ปัสสะที่เนี่ยนะคือไม่สงบเลยไม่มีกายะปัสสัที่เนี่ยนะคือเจตสิกก็ไม่สงบแล้วก็จิตตปัสสัที่เนี่ยนะตัวจิตเองก็ไม่สงบแล้วก็ทําจิตตะชูดออกมาอกีกร่างกายก็ไม่สงบเนี่ยนะร่างกายก็ไม่สงบเดือดร้อนหมดเลยพอไม่มีปัสสัที่อย่างนี้ก็ไม่ได้รับความสุขคือไม่มีความสุขเลยเนี่ยนะพอไม่มีความสุขอย่างนี้อะไรเกิเดเองฟุ้งซ่าน เนี่ยนะฟงสัน้นฟงสั้นตัวนี้ก็คือนิวรนนั่นแหละกลุ่มรุมเนี่ยนะพยาบาทนิวรนตัวนี้แหละกลุ่มรุมถามว่าเกิดจากอะไรก็คือทุจริตสามนั่นเองมาจากทุกจริตสมไม่มีกุศลศีลก็คือมีทุจริตเามเพาะทุจริตสาก็เดือดร้อนใจไม่มีปราโมทไม่มีปีติไม่มีปัปปสาติไม่มีความสุขและจิตก็ฟงสัน้น พอฟุ้งซ่านนิวนกลุ่มรุมอย่างนี้อีกโดยมากจะไปทาอะไรหรืออะไรจะเกิดต่อมาบอกว่าสิ่งที่ตามมาคืออวิชาอวิชาจะท่วมทับเนี่ยนะเพราะนิวนเป็นอาหารของอวิชาพออวิชาเกิดแล้วทำอะไรต่อโดยรวมรวมนะภาวะตันหาก็จะเกิดความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นพอตันหาเกิดอะไรเกิดก็สแสวงหาก็ว่าไป นะฮะเกิดก็สแสวงหาสแสวงหาก็ได้ก็เข้ามาอีกก็เข้ามาสู่ระบบใหม่อีกนะก็วนอยู่อย่างนี้แหละอันผู้ที่พยาบาทเมื่อเกิดขึ้นณนะภายในจิตก็รู้ชัดว่ารู้แล้วอะรู้ว่ า, วามันมาจากอะไรแล้วมันจะสร้างความเสียหายยังไงต่อไปแล้วมันเดือดร้อนต่อไปยังไงทีนี้ถ้าจะละมันเนี่ยนะก็ต้องมองในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับนนะพยาบาท สิ่งที่ตรงกันข้ามกับพยาบาทก็คืออัพยาปาทะคนที่จะไม่มีโทสะได้ก็พยายามที่จะบำเพ็ญสุจริตสให้ให้บริบูรณ์ทั้งกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตถ้ารักษาสุจริตได้นะจะไม่วิปฏิสนะ์จะไม่มีวิปฏิสารก็แปลว่าเท่ากับสุจริต3ก็คือตัวนี้หมายถึงสีนั่นเอง ปรารบศีลให้มากๆเยนะเพราะคนมีศีลเนี่ยจะไม่เดือดร้อนใจจะไม่เดือดร้อนพอไม่เดือดร้อนก็เกิดปราโมทยมีปีติมีปัสสัตที่ได้รับความสุขพอได้รับความสุขก็ไม่ฟุ้งซ่านก็คือมีสมาธินั่นเองพอมีสมาธินิวรณก็ไม่กลุ่มรมเนี่ยนะนิวร์ไม่กลุ่มรมก็อบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นได้นี่นะสุดจริตหรือเป็นปัจจัยสาคัญที่ทา ให้เกิดความไม่เดือดร้อนใจแต่ถ้าทุจริตนะก็เป็นเหตุให้เดือดร้อนใจเช่นอยู่ว่างๆเนี่ยนะถ้าเราเกิดเครียดขึ้นมาเนี่ยให้รู้เถอะว่ามันเป็นผลจากไม่มีอินทรีย์สังวรมาเป็นต้นทีนี้คำว่าตรงสุดจริตเหล่านี้เนี่ยนะมันมีกุศลศีลอยู่หลายระดับด้วยกัน ที่เราเคยคุ้นเคยกันเรียกว่าความบริสุทธิ์ของศีลสีประการนะเช่นปาติโมขสังวรเป็นของคาราวาททั่วๆไปก็คือยกตัวอย่างศีลห้าอันนี้อยากมาหน่อยแล้วก็อินรีสังวรเนี่ยนะนะไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแปลว่าอยากได้หรือไม่พอใจเนี่ยนะนะ ถ้าผลพวงออกมาว่าความอยากเกิดหรือไม่พอใจเกิดขณะนั้นไม่มีอินทรีย์สังวรน่นะแล้วก็ต่อไปก็คือไม่พิจารณาไม่พิจารณาปัจจัยสี่ที่ใช้สอยทุกอย่างนะแล้วก็อาชีพไม่ดีน่นะก็คือไม่มีความบริสุทธิ์ของศีลสีส่ประการ ทุกอย่างให้ผลเป็นโทสะหมดเลยเนี่ยนะทุกอย่างให้ผลเป็นโทสะเช่นอาชีพไม่ดีก็มันก็เดือดร้อนอีกก่เหมือนกันตามสมควรในสิ่งที่ทำไปเนี่ยนะเช่นถ้าข้าวของเครื่องใช้เนี่ยนะไม่พิจารณาเลยนะเสร็จแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ที่ใช้เนี่ยนะมันก็โทสะไปตามสมควรนะอุตสาหว่าจะแต่งให้มันงามมันนั้นไม่งามอย่างที่คิดก็ ก็โทระอีกเพราะไม่มีปัจจัยไม่มีปัจจวิเสังวรศีลทีนี้ถ้าไปอยากได้ น, นะไปอยากได้หรือจะไปไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามามันก็พาให้เดือดร้อนอีกเห็นไหมถ้าผิดศีลห้าก็เดือดร้อนหนักเข้าไปกันนั้นอีกตามสมควรแก่วัตถุที่ที่ไปล่วงออกมาสรุปว่าศีลไม่ดีเนี่ยก่อให้เกิดพยาบาทนิวอนก็ได้ เรียกว่าพยาบาทนิวรณก็ได้หรือเรียกว่าวิปฏิสารคือความเดือดร้อนใจก็ได้ก็ตามสมควรแต่ที่อกุศลไปเกิดนั่นเองนะว่าอากุศลที่เกิดนั้นไปเกิดในระดับไหนเพราะเวลาผลพวงของอกุศลก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนใจเท่าเทนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เราหลอกตัวเองไม่ได้นะมันมันเป็นความจริงอย่างนั้นถ้าถ้าหมั่นวิเคราะห์บ่อยๆนะถ้ามีความรู้ทางคําสอนดีเวลาเราไม่สบายใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมานะไล่มาเถอะว่ามาจาก ไม่ดี4อย่างเนี่ยอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยสข้อนี้แหละเห น, นแล้วว่ามาจากทุจริต3ถ้าว่ารวมๆไปแล้วนะทั้งหมดเนี่ยการผิดศีลเหล่านี้คือทุจริต3เนี่ย น, นะก็ผลพวงบางอย่างก็เครียดออกมาทีนี้พอไอสะสมไอความ โทสะแบบนี้ไว้บ่อยๆนะก็เป็นปัจจัยให้ไปล่วงทุจริตใหม่ก็วนอยู่อย่างนี้นะโดยอุปนิสัยปัจจัยนะอันนี้ถ้ามันมีมันมีลักษณะนี้ถ้าไม่มีก็สิ่งที่ตรงกันข้ามนะถ้ามารักษาศีลดีๆก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจนะเวลาละลืมถึงกุศลศีลนะนะสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่ทําให้เดือดร้อนใจมันก็สบายใจนะก็กมีความสุข แต่ถ้านึกไปแล้วแหมเว็บถึงไอ้ที่เคยทาไม่ดีมาก็เดือดร้อนอีกมันก็เดือดร้อนอยู่อย่างนี้แหละนั้นคำว่าไม่เกิดบาง อ, างอย่างไม่เกิดเพราะกุศลศีลดีเนี่ยละละโดยถ้าศีลดีเรียกว่าละโดยตะทางค้าประหารนะนนถ้ามาเจริญพรหมวิหารเนี่ยนะเจริญพรหมวิหารก็เป็นละโดยวิขัมภนะ อวิขำพนะปะหาหนะเนี่ยนะเพราะในระหว่างที่เจริญพรหมิหารโทรสะก็ไม่เกิดเนี่ยนะพยาบาทก็ไม่เกิดนะนะั้งผู้การได้ยินแว่วๆหลายครั้งแล้วว่าไปเจริญเมตตามาเจริญว่ายังไง น, นะว่าเจริญพรหมิหารมาเจริญเมตตามาเจริญว่ายังไง น, นะช่วยบอกแนวๆว่ะเผื่อคนอื่นเขาจะไปเจริญตามได้บั่งคือ ก่อนอื่นก็ต้องไปไปอ่านเรื่องโทษของโทสะนะแล้วก็ต้องไปอ่านอานิสงค์ของเมตตาให้ให้เยอะๆสูตรใดที่เกี่ยวกับโทสะหรืออานิสงค์ของอะโทสะเนะหรือขันตินะก็ก็ไปอ่านเยอะๆนะคือในขั้นการฟังมันก็นเถอะต่อไปก็พิจารณาว่า เราควรที่จะต้องเอจเริญเมตนะตาให้แก่ตัวเองก่อนให้รู้ก่อนว่ า, าตัวเองต้องการต้องการความสุขยังไงต้องการต้องการอย่างไรนะที่เรียกว่า <c oughs> ที่เราภาวนาว่าอะหังสุขิโตโหโมินิทุโข น, นิอาเว อ, เ ว, อ, เ, วอเวลาอาเวโ ล, ว ล, วลโหโมิ ปชาอา อ, อันิคาอันิโคโหมิสุขีอัตานังปริหารันตุอะไรเนี่ยนะครับปริหารามิปริหารามิว่าสรุปแล้วคือว่าคือว่าให้ตัวเองเนี่ยได้เห็นลักษณะของของของความสุขที่ตัวเองเนี่ยอยากจะได้ว่ามีลักษณะยังไงก่อนก่อนที่เราจะเอาไอ้ความสุขนั้นเนี่ยไปยื่นให้คนอ <ไป S 2> ื่นไปยื่นให้คนอื่นนะครับ ถ้าหาว่าเรารู้ตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับกการที่เราจะเผื่อแผ่ไปกับคนอื่นคนใดบ้างในนั้นก็เขียนไว้ลําดับเลยว่าต่อไปคนที่คนแรกที่ควรจะไปหยิบยื่นไปให้ก็ได้แก่ผู้ที่เราเคารพเรารักใกล้นี่นะฮะซึ่งเป็นความจริงอย่างยิ่งเลยนะครับอยู่ดีๆอย่าได้บังอาจไปไปแผ่เมตตาให้กับคนที่เราไม่ชอบหรือเป็นศัตรูเป็นอันขาดทีเดียวนะไม่สําเร็จนะครับ แต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามขั้นตอนนะเผื่อแผ่ไปผู้ที่เราเคารพเนี่ยนะเราจะประสบความสําเร็จก่อนแล้วเราจะเริ่มเห็นจริงๆแล้วว่าเออการแผ่ไม่ตางเป็นอย่างนั้นนะเช่นสมมติว่าผมจะนึกถึงพระองค์หนึ่งเนี่ยเช่นเช่นที่เราเคารพนับถือเนี่ยนะแล้วก็ท่านเป็นครูบาอาจารย์เราเนี่ยออแล้วก็นึกถึงว่าท่านเนี่ย มีเมตตาก็ดีมีคุณธรรมก็ดีมีศีลก็ดีมีอะไรก็ดีเนี่ยคิดถึงท่านเยอะๆในเรื่องดีๆเยอะๆอันนี้นะและถ้าถ้าแผ่ไปบุคคลนี้ก่อนเนี่ยนะและบ่อยๆด้วยนะแล้วต่อมาจึงจะค่อยๆแผ่คนระดับต่อๆๆๆๆๆต่อต่อตมาเนี่ยนะพอเป็นไปได้พอเป็นไปได้